ปัญหาเก่าๆก็กลับมาอีกก็มีความทุกข์อย่างเดิมความทุกข์มากกว่าเก่าคือปวดหัวกินเหล้าแล้วปวดหัวหรือกินเหล้าแล้วเศรษฐกิจธธกไม่ดีนี่คนในโลกมันไปหาความสุขแบบอาศัยสิ่งภายนอกอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสุขอย่างนี้เรียกว่าการมาสุขกามาสุขนี้คนทั้งหลายเขาก็หากันสัตว์ทั้งหลายก็หาเหมือนๆกันมีเหมือนกันความสุขชนิดนี้แต่สุขชนิดนี้แวบเดียวชั่วคราว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 ต้องวางแผนวางแผนจะไปฆ่าเขาเนี่ยจะฆ่าได้ไม่ได้หรือจะถูกเขาฆ่ายังไม่แนนะ่มีคนรู้จักกันคนหนึ่งนะแกเป็นอาเสียนะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ที่เมืองการนะชื่อเสียเอาอย่าไปเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวแกได้ยินนะเสียเนี่ยแกเครียดนะแกเคลียดเมียแกเนี่ยเข้ามายึดครองกิจาการไว้เพราะแกเอาแต่กินเหล้ากนะินเหล้าเมาแล้วก็ทาธุรกิจแบบ สเปซ ส, สปาไปเรื่อยเมียมายึดครองกิจการไว้วันหนึ่งก็แค้นเมียมากเลยเมาเหล้านะตะโกนลัานบ้านเลยกูจะฆ่ามึงนะะตะโกนเป็นลั่นเลยนะเสร็จแล้วตกใจกูทานต่อเอ๊ะหรือมึอนจะฆ่ากูนะนะคิดจะฆ่านะก็กลัวเขาฆ่าเหมือนกันนะพอไปฆ่าแล้วก็ต้องหนีตำรวจใช่ไหมเจอตำรวจก็สะดุ้งนะเจอมีอาตำรวจอย่างคุณมาลีก็สะดุ้งเหมือนกันนะ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 ลองดูให้ดีการถือศีลนนะัมันดนะีหรืออย่างลักขโมยเขาใช่ไหมคนไม่ขโมยสบายไปลักเขาไปขโมยเขาไม่สบายหรอกนะกงังวลจะวางแผนยังไงจะไปแย่งเขามาได้เขามาแล้วเนะี่ยทายังไงเจ้าของเขาจะไม่รู้นะจะไม่โดนตามจับไม่โดนเล่นงานเนะี่ยคนที่มีศีล น, นะก็มีความสุขอย่างคนมีศีลสบายถือศีลแล้วจิตใจสบายมีความสุขนะงั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ว่าถือศีลแล้วลําบาก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 คนที่มาเจริญสติก็จะมีความสุขแบบผู้เจริญสติทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตใจจะมีความสุขทันทีนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะขณะนั้นกำลังกลุ่มใจอย่างหนักอยู่เลยเกิดมีสติระลึก ข, ขึ้นได้ว่ากำลังกลุ่มใจอยู่ความกลุ่มใจมันจะกระเด็นตกหายไปต่อหน้าต่อตานี่ถ้าสติตัวจริงเกิดจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสติตัวปลอมเกิดนะกลุ่มใจเพรอรู้ว่ากลุ่มใจกมเกลียดมันเมื่อไร่จะหายเมื่อไร่จะหาย ดูมาตั้งนานแล้วไม่หายสตินี่สงสัยพระพุทธเจ้าสอนไม่จริงละเนี่ยจิตใจอย่างนี้ไม่มีสติตัวจริงนะก็ะไม่มีความสุขถ้ามีสติตัวจริงนะใจแค่ใจลอยไปนะใจลอยแว บ, บไปมีสติะระลึกได้ว่าใจลอยแล้วเนี่ยขนาดนั้นนะความสุขจะเกิดขึ้นเองนะจะมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาในใจเรานะความสุขจะผุดขึ้นมานี่ไม่เสียเงินเสียทองเลยไม่ได้อิงอาศัยใครไม่ต้องพึ่งใครเลยนะ ถ้าต้องพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นเราก็ต้องตกเป็นทาสของคนนั้นเป็นทาสของสิ่งนั้นเรื่อยๆไปในที่ถ้าเราไม่ได้พึ่งใครนะเรามีสติขึ้นมาเราก็มีความสุขเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขอยู่ในตัวเองยืนอยู่รู้สึกตัวว่ายืนก็มีความสุขแล้วนั่งอยู่รู้สึกตัวว่านั่งนะก็มีความสุขโกรธอยู่รู้สึกว่าโกรธขึ้นมาก็มีความสุขโลภอยู่รู้สึกว่าโลภอยู่ก็มีความสุขนะ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 อย่างร่างกายเราก็ยืมโลกมาใช้นี่เห็นได้ง่ายนะจิตใจก็เป็นของโลกนะเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะเป็นวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งนะนะเราสลัดทิ้งสลัดคืนไปไม่ยึดถือนะคุณมาลีจิตสงสัยรว่วสงสัยไปนะนะนะพอสลัดทิ้งไปแล้วนะจิตใจมันจะปลอดโปร่งโล่งเบาเนะมื่อเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เ ว, ว่านิพพานไมนะนะ่ความสุขมีตั้งแต่ความสุข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 นี่สำหรับปีใหม่นะจะได้มีความสุขนะดูหลวงพ่อนะหลวงพ่อนั่งยิ้มทั้งวันเลยนะ <c oughs> ยิ้มกับดินฟ้าอากาศนะค่อยๆฝึกหัดใหม่ๆต้องล้มลุกลุกคลานทุกคนนะไม่มีหรอกที่วิเศษวิสโสมายกเว้นแต่ว่าทํามาแต่ชาติก่อนแล้วนะอยากรู้ว่าเราทํามาแต่ชาติก่อนหรือเปล่านะไม่ยากหรอกนะหัดภาวนานะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมา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 อกูศนเกิดมากสติเกิดน้อยใจลอยทั้งวันนะใจลอยไปแล้วเดี๋ยวก็โลภใจลอยไปเดี๋ยวก็โกรธนะตัวใจลอยนั้นก็คือหลงนั่นเองงั้นอากูศนเกิดทั้งวันเลยนานๆจ ะ, ะระลึกขึ้นได้สักทีนึงว่าอ้าวเผลอไปแล้วนี่หรือะระลึกขึ้นได้ว่าอา้าวโกรธไปแล้วนี่นานๆทีหนึ่งแต่พอฝึกนานๆไปชำนิชํานาญขึ้นสติก็จะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเผลอก็สั้นลงสั้นลงไม่ใช่ไม่เผลอนะ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 ปัญหามันอยู่ข้างนอกความทุกข์มันอยู่ข้างนอกตัวเราเป็นคนดีคนอื่นมาทําความทุกข์ให้เรามหัดภาวนาสักช่วงหนึ่งเราจะเห็นเลยโลกข้างนอกว่างเปล่าไอ้ที่หนักๆที่เป็นทุกข์นะ่ะมันอยู่ที่ใจเรานี่เองใจเรากับโลกข้างนอกไม่เท่าเทียมกันต่อภาวนาต่อไปช่วงหนึง่งเราจะพบว่าโลกข้างนอกก็ว่างเปล่าใจของเราก็ว่างเปล่าถ้าภาวนาจนเห็นโลกข้างนอกว่างเปล่าใจก็ว่างเปล่าเสมอ ER กันอย่างเนี้จิตจะมีสมาธิบริบูรณ์เลย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 เอเอเอมีแต่เอนะต่อมาเริ่มอ๋อนะอ๋อพอมีสติสติเกิดเองนี่ยเห็นไหหลายคนเริ่มรู้จักแล้วสติเกิดขึ้นเองจิตมันปฏิบัติของมันเองเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยหลายคนรู้สึกอย่างนี้อนอนหลับอยู่ร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวายังมีสติรู้เลยนะใจไปคิดตอนตื่นก็รู้ใจไปคิดตอนหลับก็รู้นะเกิดสกเกิดทุกเกิดกุศลอกุศลทั้งหลับทั้งตื่นก็รู้อยู่อย่างเงี้ยนะค่อยฝึกไป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 สมาสติเนี่ยมันเป็นการรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจงนะม้แต่ไม่ได้ไปเพ่งจ้อง <c oughs> ถ้าเราเพ่งเราถลำลงไปล้วก็ไม่ใช่สมาสตินะแต่เป็นสติในการทำสมถะของคุณยังติดเพ่งอยู่นะ <c oughs> ใจมันจะนิ่งนิ่ง <c oughs> รู้สึกไหมรู้สึกบ้างออค่ะนะี่วัดตัวเองก็ได้มาถามหลวงพ่อทำไม <c oughs>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 ขอบคุณค่ะกลับกราบพระอาจารย์ครับคราวที่แล้วไปส่งการบ้านพระอาจารย์ที่สวนสันติธรรมพระอาจารย์บอกประคองค่อนข้างเจริญตอนนี้รู้สึกว่าประคองน้อยลงไม่ทราบว่า จ, จะถูกต้องไหมครัถูกนะแต่ยังประคองอยู่แต่ลดนะลงล้วลดลงฮะเริ่มลดล ง, ลงลรู้สึกว่าอารมณ์ที่ปราวกฏวทางทวารต่างๆเนี่ยมันไม่สืบเนื่องกันเหมือนเดิมอืมันรู้สึกแช่เห็นไหมมันเกิดแล้วขาดวับเกิดแช่วับวับวับนะแต่ถ้าเรา เพ่งไว้เราประกอบไว้มันจะนิ่งเหมือนคงที่ทั้งวันทั้งคืนคนะอย่างนั้นไม่มีตรลักษณ์ให้ดูถ้าไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูปัญญาไม่เกิดนะดีแ ล, ะละ้วนละ่ะขอบคุณครับผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะนี่พูดแบบสุภาพนะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยเพ่งนะเพ่งทั้งนั้นแหละนะทําไมต้องไปเพ่งพวกหนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าต้องนิ่งๆไว้ก่อนแล้วจะดีกลันะบนพัสกา ร, รอยู่ไหนข้าพไป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 แต่เราอยู่แบบสบายเราไม่ได้อยู่แบบเป็นคุกรู้สึกไหมเราไม่ได้อยู่แบบ États แต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้เราไปอยู่แบบติดคุกอยู่ทื่อๆคิดว่าติดคุกนานๆแล้วจะดีนะได้รางวัลติดคุกนานนะตอนนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราหายใจเห็นไหมร่างกายมันหายใจไปใจเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจไปนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนไปรู้ร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนะนี่ยแยกกายแยกใจไปเรื่อยๆ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 เรียนพระอาจารย์ว่าคือผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอกุศลเกิดบ่อยแล้วก็ดีแล้วภาวนาเป็นนะสีถึงจะเห็นนะคนภาวนาไม่เป็นเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าภาวนาเป็นเราจะพบว่าอากุศลเกิดเกือบตลอดเวลาเลยกุศลเกิดน้อยถ้าเกิดก็เกิดแว บ, บเดียวเดี๋ยวอกุศลก็มายาวๆอีกแล้วนะอย่างนั้นถูกต้องละวแต่ว่ายังไม่เป็นกลางครับไม่เป็นกลาง เ, ลาเรารู้ว่าไม่เป็นกลางดี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 ไม่ไม่ทราบว่าเพ่งไปหรือเปล่าอ่ะครับตอนนี้ไม่แลใช้ได้นะครับแต่อยาขยันนะหมายถึงอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ให้ต่อเนื่องเนี่มันจะกลายเป็นเพ่งถ้ารู้เล่นเล่นรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยนะไม่เพ่งอะ่ะแล้วมันการที่จะรู้ว่าใจเราเป็นทุกนี่คือทุกมันคือทุกขังหรือความรู้สึกทุกอ่ะครับที่ดูได้ตอนนี้คือเห็นแต่ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกเมตโธมนัดเวทนาความรู้สึกทุกทางใจนะ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 จำนวนมากเลยที่ตื่นขึ้นมานะภาวนาที่มาตั้งคำถามวันนี้ใช้ได้ทุกคนเลยจิตรู้สึกตัวขึ้นมาหมดล้ตื่นเต้นรู้ไหมครับตื่นเต้นครั บ, ก, บรกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็วันนี้ตั้งใจมาส่งกันบ้านตายมากสุดท้ายครับของปีครับก็ตอนนี้ก็เห็นว่าขันห้าเขาทำงานนะครับเขาทงานของเขาเองแล้วก็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 จริงๆแล้วไม่ยากเห็นไหมจริงๆไม่มีอะไรยากเลยนะอย่าดื้อก็แล้วกันคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยๆคนไหนที่เคยเพ่งมาเคยกาหนดเคยบังคับเคยประคองหลายปีแล้วมันก็มีแต่นิ่งๆอยู่อย่างเก่าหรือว่าภาวนาแล้วก็เครียดๆอยู่งั้นนะใจกว้างๆนะวางซะแล้วก็มาหัดรู้กายมาหัดรู้ใจไปมันไม่ใช่คาสอนของหลวงพ่อนะ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 อยู่ได้อย่างปลอดภัยในที่ทุกที่นั่นแหละคือจิตใจของเรานะมีความสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ตรงไหนก็ได้นะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเลยนะในสิ่งแวดล้อมที่ย่าแย่นะั้นเราก็ยังภาวนาของเราอยู่ได้ค่อยๆฝึกนะเราจะมีความสุขนะถ้าไม่ดื้อ น, นะเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนอะไรเนียจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองซึ่งตัวเองรู้สึกได้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 ถ้ามาเป็นมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีสติตามดูเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นเราใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่เองนี่พอเราเรามีสตินะจิตใจของเราเป็นมนุษย์ที่แ ท, ท้จริงไม่ใช่เป็นมนุษย์เปลิดไม่ใช่เป็นมนุษย์อสุ ร, รากายไม่ใช่เป็นมนุษย์เดรัจฉา น, นไม่ใช่เป็นมนุษย์นรกนะไม่ใช่เป็นมนุษย์เทวดานะแต่เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อย่างแ ท, ท้จริง <Never> จิตใจอย่างนี้แหละเหมาะที่จะเิญวิปัสสนามากที่สุดนะ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 คือตอนนี้ก็เห็นว่าใจตัวเองเต้นเหมือนกองค่ะแล้วก็ระหว่างทางที่เดินทางมาวันนี้นะคะเห็นว่ามันมีแรงผลักดันจากข้างในอะค่ะขึ้นมาต่อเนื่องะคะอ่ะแรงดันนี้เรียกว่าตันหานะอย <รา S 2> ่ไม่นะออค่ะคือเดิมทีก่อนที่จะเห็นตัวเนี้ยมันเหมือนตอนนั้นไม่สบายอะคะ่ะก็เห็นแรงผักตัวเนี้ยแล้วก็สักพักนึงก็จะมีอาการไอขึ้นมานะคะ่ะแต่หลังจาก ที่อาการไอไม่มีแล้วก็ยังเห็นอาการอย่างนี้เกิดขึ้นนา น, น, านๆครั้งอะค่ะ<า>เกิดดันขึ้นมาแล้วไอเหรอค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ดันขึ้นมาแล้วมีกีเลสเหรอไม่ไม่มันจะเกิดอาการไออะค่ะเหร อ, หรอไปให้หมอตรวจนะค่ะ<า>แต่เวลาอย่างเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้สึกไม่มันมีแรงดันเหมือนกันค่<า>นะเอออย่างนั้นเรียกว่าตันหานะถ้าดันแล้วไอนี่ไม่ใช่ตันหา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 แล้วถ้าเราเห็นความอยากบ่อยเราก็ดูความอยากนี่แหละเป็นอารมณ์กรรมฐานของเราค่ะอยากให้หลวงพ่ อ, อ, อส่งกันบ้านให้ใหลวงพ่อส่งกันบ้านนะคะอ๋อไปหัดดูบ่อยๆนาะดูเรื่อยๆอะไรแปลกปลอมขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้ด้ยวยความเป็นกลางต่อไปนี้สังเกตดูเมื่อสภาวะเกิดแล้วเนี่ยจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินร้ายให้รู้ทัน แต่อย่าไปนค้นหานะว่ายินดียินไยหรือเปล่าให้มันรู้สึกขึ้นมาเองถ้ามันยินดียินไ ล, ล้วก็ค่อยรู้สึกเอาไม่ต้องไปเอาละโกรธละไหนยินดียินไลไหมยอย่างนี้จะไม่เห็นเลยเพราะ ว, ว่าขาดสติซะแล้วความอยากที่จะรู้ว่ายินดียินไลไหมเนี่ยมันเกิดขึ้นแทนสติงั้นจะไม่เห็นดีแล้วค่อยฝึกไป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 บอกผู้ดใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินี่พูดขนาดนี้นะี่ยทำไมเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจริงๆมันไม่เที่ยงนะขันห้ามันจะเที่ยงได้ไงเนี่ยถล่มลงไปจ้องแล้วรู้สึกไหมจิตกระโจนลงไปให้รู้ทันนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะมรสการเจ้ค่ะหลวงพ่อคือหนูสงสัยว่าหนูปฏิบัติของหลวงพ่อตามซีดีนะคะมาสี่เดือนแล้วค่ะ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 เวลาหนูโกรธอย่างเงี้ยค่ะหนูเห็นมันมู๊ออกมาข้างๆแล้วมองเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่ามันทิ้งมันไม่ได้อยู่ข้างในของหนูแต่มันมาอยู่ข้างๆอะค่ะสังเกตแม่ว่าจิตมันถอยออกมาแล้วไม่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใช่ค่ะมันอยู่งองเข้ามหมือนเราดูอยู่ดูหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งมันกระดิกก็ดีแล้วที่อย่างงี้ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดหรอกแล้วอย่างแต่อย่าไปพอใจนะค่ะออกมาอยู่ข้างนอกทั้งวันเลยไม่ไหวนะ แล้วอย่างแท้เรื่องที่เราจะต้องตกใจแล้วเราไม่ตกใจนี่เราผิดไหมคะไม่ผ em> ิดสิแต่เร si eh no ื่องที่ไม่ควรตกใจแล้วตกใจนั่นแหละผิดปกติอย่างเหตุการณ์ที่ว่าหนูนั่งรถอยู่นะคะทางระหว่างทางสามแพร่งอะค่ะแล้วคันที่หนูนั่งกับคันตรงข้ามอะค่ะเขาแย่งกันเลี้ยวอะค่ะแล้วหนูเห็นชัดๆเลยว่ารถคันนี้จะพุ่งเข้ามาหนูรู้ว่าหนูวิ่งเข้าไปที่ใจของหนู แต่ว่ามันนิ่งอ่ะค่ะพอมันนิ่งดูก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่คิดว่าโอ้เราจะถูกรถชนแล้วเหรอแล้วก็ถ้าเราจะตายทําไมมันง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นนะ่ะจิตมันหลบเข้าไปทําสมถะของมันมันหลบเข้ามาอยู่นิ่งๆ น, นะมาเอาสมาธิเป็นที่พึ่งแต่ก็ยังดีนะตายแล้วได้ไปเป็นพระปลอมบ้างอนะอ <laughs> ถ้าอย่างนี้คือ อย่างเรื่องค่ะอย่างเรื่องที่ควรตกใจแล้วเรานิ่งไปนี่แปลว่าเราผิดไหมคะไม่ไม่จำเป็นมี <c oughs> มีหลายแบบอันหนึ่งนิ่งเพราะจิตย้อนมาเพ่งจิตอันนี้นิ่งเพราะสมถะอีกอันหนึ่งนิ่งเพราะปัญญานะเห็นว่าทุกอย่างเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลามาไหลไปไม่ใช่สาระแก่นสารไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาอะไรเงี้ยเนี่ยนิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ใช้ได้เลย <c oughs> ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะแต่ของคุณเนี่ยมันนิ่งด้วยการที่มันตกใจนั่นแหละพอ <c oughs> ตกใจแล้วมันเลยวิ่งเข้ามาเกาะอยู่ที่จิตอันเดียว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 พอดีพึ่งปฏิบัติไหนโผล่มาให้หลวงพ่อเห็นหน่อยเออชันเข่าขึ้นมาเลยเท่เหน่อยเออเพงั้นพอดีพึ่งปฏิบัติอะค่ะอยากจะทราบว่าต้องปฏิบัติยังไงถึงจะตรงกับจริตค่ะของคุณเป็นคนคิดมากนะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ดูจิตไปจะไปทําความสงบมันไม่ลงง่ายๆหรอกใจมันะจะฟุ้งซ่าน ง, ง่ายเพราะงั้นให้เราดูความฟุ้งซ่านของใจไปใจวิ่งไปวิ่งมาพอดูได้ไหม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 ดูไปอย่างนี้ขอบคุณค่ะหลวงพ่อคะคือช่วงที่เกิดขึ้นก็คือว่า เ, เวลาเราซักผ้าเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ก็พูดก็คือเราเห็นคือมองว่าเห็นไม่ใช่มือเรา ม, มันรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาก็ตกใจยอมรับก็ตกใจอ่ะคะ่ะก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะเห็นลักษณะอย่างเงี้ยบ่อยเหมือนกัน อ, อ, อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าในระหว่างนอนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้รู้ตัวว่าตัวเองคิด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 มันจะมีโทสะผุดขึ้นแทรกแซงไปแทบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นให้รู้ทันตัวนี้ไปเรื่อยๆยิ้มหวานเลย <laughs> ไปดูนะตัวนี้แหละรู้สึกว่าเขาจะส่งข้างซ้ายทีข้างขวาทีใช่ไมตรงกลางไม่ให้ใช่ไหม <laughs> คุณแม่ไปยาวจิตหายไปไหนนอกนี่ท่านเก้าสิบกว่าแล้วนะคุณแม่ไปยาวเนี่ย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 ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองใช่หลวงพ่อก็เห็นค่ะค่ะลูกปิติมากตอนนี้ค่ะแล้วก็เคยคิดอยากจะส่งกันบ้านหลายครั้งแต่ว่าความตื่นเต้นมีมากมก็ลูกเนี่ยเมื่อวานนี่คะ่ะสารภาพลูกไปฟังธรรมะของสำนักหนึ่งอะะแล้วก็ลูกอาเจียนออกมาค่ะแล้วก็ไม่สบายแต่พอ ม, เมอเช้าเนี่ลูกมาที่นี่ ลูกมีปิติแล้วจิตใจคือรู้รู้ตัวว่าเราปิติมากนะะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมคือสบายแล้วก็เลยอยากจะกลาบเรียนส่งกันบ้านหลวงพ่อใช้ได้แล้หน้าต้นไม้นี้งอกงามละดีรู้สึกไหมเราไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนใช่ไหมมีความสุขมากขึ้นใช่เห็นความร้ายของตัวเองเยอะขึ้นเห็นกิเลสอ่กิเลสเทียบเลย แต่เดิมนะเราก็อ่านนิยายนะแม่มดอยู่ที่โน่นที่นี่นะะอภาวนาเป็ตเรารู้เลยแม่มดอยู่ที่ไหน<ช>เรารู้ละตัวเราเองโกรธจะเยอะมากดีมากเลยดีกราบพระพุทคุณลงฝึกไปนะฝึกไปเรืยไม่ถอยไม่รีบร้อนแต่ไม่ถอยทุกวันรู้ไปเล่นเล่นรู้ไปสบายสบายยิ่งรู้ไปอย่างสบายสบายยิ่งได้ผลเร็วยิ่งอยากได้ผลแล้วรีบร้อนนะไม่ได้ผลหรอกต้องใจเย็น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 ในความเป็นจริงแล้วก็คือไม่มีใครหรอกที่จะดูสภาวะได้ทันทั้งหมดแล้วที่มันนิ่งนี่ต้องแก้แกยังไงนิ่งนี่เกิดจะจงใจปฏิบัติตั้งใจมากไปตั้งใจมากไปต้องลดความตั้งใจไอแต่ไม่ขี้เกียจนะลดลดความตั้งใจลดความอยากปฏิบัติลงแล้วก็ขยันดูกายขยันดูใจไปเรื่อยคุณผู้หญิงใส่แว่นตาเสื้อเหลืองภาวนาใช้ได้เนาะอัตรู้ไปนั่นแหละดีแล้ว คนอื่นเลยใจดีไปอยู่กับเ้าหมดเลยเออแต่ปฏิบัติใช้ได้ไหมคะอย่าจงใจแรงไปอขอบคุณมากเอ้วันนี้ทุศีลก็ดีกลับมามตสการหลวงพ่อเจ้าค่ะไหนไหนไหนอ๋อค่ะเมื่อครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์นี้ น, นะคะขณะ น, นั่งภาวนาช่วงก่อนหน้านั้นปวดหัวค่ะนั่งภาวนาสักครู่หนึ่งก็ยังรู้สึกปวดหัวอยู่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 แต่ถ้าไม่ยินดียินร้ายและจิตนิ่งๆทื่อๆอันนั้นเพเพ่งเอาไว้เจ้าค่ะหนุ่มข้อขอถามอีกข้อนึ่งนะคะขณะนั่งภาวนาจะพิจารณากายค่ะรูปที่เป็นทุกข์หนูก็ไล่ามาตั้งกต่ศีรษะสักครู่หนึ่งจะเกิดวงกลมค่ะหนูก็ดูด้วยความเป็นกลางทีนี้วงกลมที่เกิดขึ้นจะขยายขึ้นเหมือนแดดที่ส่ง อ, ออกไปจนจนสุดเราไม่เห็นเหมือนท้องทะเลอือันนี้คืออะไรคะสภาวะอย่างนี้คือเราไปพิจารณากายนั้นมันได้สมถะ การคิดพี่าจรณากายเนี่ยมีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อวงหนึ่งะคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศอยู่หินหมักเป้งหลวงปู่เทศท่านบอกว่าการคิดพิจารณากายเป็นปฏิคูลเป็นอสุภะเนี่ยเพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะการคิดพิจารณากายว่าอีกหน่อยมันก็ตายเนี่ยดูว่ามันตายก็เพื่อแก้อาการของจิตก็เป็นสมถะการคิดพิจารนาว่ามันเป็นก้อนธาตุก้อนขัน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 ให้ดูที่จิตใจของเราเช่นจิตใจของเรากำลังถลํมลงไปดูไอ้ดวงนั้นจิตมันจะไหลลงไปอยู่ที่ดวงนั้นให้รู้ทันจิตที่ถลํมลงไปคืออย่าไปดูที่แสงสว่างให้ดูจิตตัวเองแต่อย่าไปเพ่งนะของคุณ จ, คะจะติดเพ่งกลับมาคุกคินค่ ะ, ค ะ, ร ะ, คคะมรสการพระอาจารย์สงการบ้านค่ะเอาฟังซีดีมาประมาณหนึ่งปีแล้วอะค่ะแต่ว่าก็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 ต่อไปเวลาเราขาดสติพอร่างกายเราขยับปั๊บเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองนะหรือพอจิตใจของเราขยับเขยืนเคลื่อนไหวสติก็จะเกิดเองมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะเพราะงะั้นคนไหนบอกว่าสายกายสายจิตอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะถ้าสติเกิดแล้วไม่มีหลอกสายไหนสายไหนมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติมีเท่านี้เองหนูก็สามารถนั่งสมาธิได้ใช่ปะได้สิ<อ>ควรจะนั่งไป เพราะบางครั้งหนูนั่งแล้วรู้สึกว่าบางวันเนี่ยจิตมันมันว่างจนไม่มีอะไรจะดูอะค่ะก็ดูว่ามันว่างค่ะว่างก็เป็นสภาวะอันหนึ่งให้จิตรู้แล้วว่างนั้นก็ไม่เที่ยงใช่ไหมถึงจุดหนึ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันงั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงนะก็มีสภาวะให้รู้เท่านั้นแหละเว้นแต่เราไม่คิดว่าอันนั้นเป็นสภาวะอย่างพอว่างๆเราคิดว่าไม่มีอะไรให้ดูอ๋อค่ะอ๋อเราใช้ได้ละอ่ะกลับนมัสการนะคะ คือจากจะเรียนถามอย่างนี้ค่ะคือในชีวิตประจําวันเนี่ยปกติคือจะไม่มีโอกาสที่จะมานั่งสวดมนต์ไหวพระนะคะเพราะว่าออพอดีมีลูกยังเล็กอยู่ก็เลยใช้วิธีรู้ตามรู้รู้กายรู้ใจไปก็เลยสงสัยอยู่ว่าถ้าจะใช้วิธีในการ เ, เพ่งคล้ายๆว่าเพ่งกายเนี่ยแทนการทําสมถะนี่จะได้ไหมคะเพ่งกายก็เป็นสมถะนะแต่ว่ายังไม่ต้องเพ่งหรอก นะเลี้ยงลูกไปแล้วก็ดูใจของเราไปลูกเราแต่ละวันแต่ละเวลาน่ารักน่าเกลียดไม่เท่ากั น, น, น้ดูใจของเราไปอย่างนั้นนะแล้วเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่านให้รู้ว่าใจเราฟุ้งซ่านพอเรารู้ว่าฟุ้งซ่านใจมันจะสงบของมันเองเพราะว่าฟุ้งซ่านมันไม่เที่ยงนะเมื่อไม่มีเวลาทาสมถะในรูปแบบเราก็ใช้การเจริญปัญญาเนี่ยทำให้เกิดสมาธิขึ้นได้ จจิตฟุ้งซ่านรั่วฟุ้งซ่านพอความฟุ้งซ่านมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับอยู่ดีะรู้เฉยๆนะมันจะดับเองทันทีที่มันดับเนื้อใจก็สงบลงมาแล้วแล้วถ้าใช้วิธีคื อ, อ, อสูตรลมหายใจเข้าแล้วก็นิ่งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าทํ <c oughs> จาจนเออะไรก็กลับไปอยู่ตรงนี้นะงานหลักของเราจริงๆก็คือการเจริญปัญญารู้กายรู้ใจงานสนับสนุนคือการทาสมถะ ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็มาหาสมถะนะพอจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเราก็ไม่เป็นนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นให้เราออกมารู้กายออกมารู้ใจไว้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะสังเกตไหมเวลาเรารู้ตอนนี้ใจเรารู้อยู่นอกๆขณะ น, นี้รู้สึกไหมอาเชิคุณแม่ไปเยาเมื่อก่อนท่านเป็นอธิการบรดีสวนสุนันทาราบ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 ไม่จริงหรอกยังเผลอก็ราก็รู้สึกกลับขอพระคุณพระอาจารย์ว่าเราจะประมาทตัวเองไม่ได้ว่าปฏิบัติมานานแล้วแต่ตั้งใจอย่างไรก็ตามก็ยังจะต้องมีข้อเผลอจนได้จ้ค่ะแล้วในขณะนี้นี่มีความรู้สึกในด้านสติกรู้สึกตัวว่าตั้งใจมากจ้ค่ะแล้วทำอะไรก็จะพยายามช้าๆเพื่อว่าสติจะไม่เผลอแล้วก็รู้สึกตัวก็จะดีขึ้น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 ตรวที่รู้โดยไม่มีเจตนาเนะี่ยมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาแนละ้ดีนเอาให้ได้นะ <c oughs> เห็นไหมคุณแม่อายุป่านนี้นะภาวนาไม่มีถอยเลยคนไหนอ้างบอกว่าสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงภาวนาไม่ได้ไม่จริงนะอายุมากภาวนาไม่ได้ก็ไม่จริงนะเป็นข้ออ้างของกิเลสทั้งหมดเลย หรือบอกว่างานมากภาวนามไม่ได้ก็เป็นข้ออ้างของกิเลสอีกเราต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรคืองานหลักของชีวิตเราอะไรคืองานรองของชีวิตเราแต่ละคนนี่มีเป้าหมายในชีวิตที่จะสแสวงหาความสุขเพราะฉะนั้นเรามุ่งไปหาความสุขการภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงส่วนการที่เราไปทำกิจกรรมอื่นๆนะมันเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่กับโลกเท่านั้นเอง อย่างเราไปทํามาหากินเราไปเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องทําเพราะว่าต้องอาศัยอยู่กับโลกแต่ว่ามันไม่ใช่งานหลักงานหลักคือการเรียนรู้ตัวเองเจนกระทั่งเราสามารถอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขที่นั่นนะอยู่จนแก่จนเฒ่าไม่เลอะเลือนนะเป็นคนแก่คนเฒ่าน่านับถืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นค่อยฝึกเอาแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นหลวงพ่ออยู่กับโลกก็นานนะกว่าจะได้บวชอายุทั้ง4ี่ิบแปด ความสุขอย่างโลกโลกรู้จักอย่างดีเลยแต่รู้เลยว่ามันเป็นความสุขแบบหลอกหลอกความสุขของโลกโลกนะมันก็สุขเหมือนกันนะมันสุขช่วครั้งช่วคราวปรเดี๋ยวความทุกข์มันก็ตามมาอีกแล้ถ้าเราทํางานหลักในชีวิตเราเสร็จเนี่ยนะโอ้โหเราจะมีความสุขที่แท้จริงงานหลักของเราคือการเรียนรู้ตัวเองการภาวนาเนี่แหละเกิดมาทั้งชาตินะทํางานหลักให้ได้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 การปฏิบัติไม่ได้เบียดบังเวลาในการใช้ชีวิตทางโลกของเราเลย น, ะนั้นเบื้องต้นถือศีลห้าไวนะ้ทำหน้าที่ของเราไปอย่างโยมผู้หญิงตะกี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้นะลูกงองแงขึ้นมาไม่สบายหรือเปล่าใจเป็นห่วงรู้ว่าเป็นห่วงนะลูกมันอารมณ์ดีเราดีใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะลูกมันตื้อแลโมโหรู้ว่าโมโหนะมันไม่ได้เบียดบังเวลาของเรานะ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 อย่าบอกปฏิเสธหน้าที่แล้วจะภาวนาอย่างเดียวอันนี้ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าการภาวนาจะต้องแยกส่วนออกจากการใช้ชีวิตธรรมดาแท้จริงการภาวนานี่แหละอยู่ในชีวิตของเรานี่เองการที่หลวงพ่อสอนเรื่องการเจริญสตินะมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนยุคนี้จเจริญสติรู้กายรู้ใจไม่เบียดบังเวลาทามาหากินไม่เบียดเบังเวลาเรียนหนังสือทาควบกันไปได้ แล้วก็ได้ผลเร็วเห็นผลเร็วเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ง่ายไม่ต้องทำอะไรที่ลำบากเลยนะเดินอยู่นี่รอรถเมย์อยู่ก็ภาวนาได้เห็นไมไม่ใช่ว่าต้องหลีกเล่นไปอยู่ที่ไหนนะขับรถอยู่ก็ทำได้อะไรๆก็อยู่ทาได้ทั้งนั้นแหละงั่นะค่อยฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะได้ของจริงๆนะไม่ใช่ได้แต่ของเล่นๆนะอย่างทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนี่ของเล่นๆนะ ถึงวันหนึ่งก็เสียไปหมดมีอะไรไหมอ๋อหมดเวลาละก็ช่วงทายนี้ก็ขอจิอวการเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวายทานแด่พระอาจารย์นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับ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 ดีล้อนุโมทนาปีใหม่นะปีใหม่ปีใหม่ทําตัวใหม่นะใหม่ตลอดเวลาใหม่เป็นขณะขณะไปนะถ้าปีใหม่แค่กินเลี้ยงมันก็เหมือนเหมือนกันแหละเหมือนเดิมคือแย่ๆเหมือนเดิมปีใหม่ไหนๆก็ใหม่ทั้งทีนะใหม่เป็นขณะขณะไปเลยไม่ต้องรอทั้งปีถึงจะใหม่นะในความเป็นจริงแล้วรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสดสดร้อนๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคอยดูของเราไป แค่นี้นะเชิญ